บุกท <Book> ูห้าสิบเอ็ดชันกรรจระชันกรรจระการไปทำธุระเชฟันเชฟเฉันอยากไปห้องสมุดทฤลอุปมสกุนอวสไฟ ที่ฉันอยากไปร้านขายหนังสือ สกโนสิฟัยที่ฉันอยากยืมนห น, นังสือส์ทิฮฟ์กัชตเตนิฟัยทกฮัฟฟกัชเตนูสิฟัยี่ฉันอยากซื้อหนังสือส์ทชฟนูิฟัย์ทสเชฟนู้สิฟัย ดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ์เซรจิตเชฟนูเซฟาเซเชฟนูฟดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือทฤษ อ, อุปอมสกวนุชทฤษกิสคโนเซฟทฤษ อ, อุปอมสกวนุชท พิสฟโนสไฟดิฉ um ันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือทดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิม เราจัดชิปอิมสก้อนนี้เราจัดก๋าเชฟนูสไฟเราจัดชิปอี่ชดิฉันอยากไปร้านแว่นตานสกไฟดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งสกุนนซฟยซูเปอร์มาร์เก็ต้งสกนสุนโซฟายดิฉันอยากไปร้านขายขนมปังฮัลโหชัปอมสกนสุนนซฟยฮ ล, ลชอปอมสกนสุนโซฟายดิฉันอยากซื้อแว่นตานงจกัสเชฟนซฟย ด <gained> ิฉันอยากซื้อผลไม้และผักดิฉันอยากซื้อขนมปัง ิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นต า, นปปาดิฉันอยากไปซุานแว่นตาเพอจะซื้อแต เพื่อจะซื้อผ ล, ลไม้และผักุ่นจามระัตริชระกัสเชฟนุนจมระตริชระกัสเชฟนดิฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปังฮัลโลชฮัลระฮัลกูระกัสเชฟน ผลลูกชิ้นผมสีฟ้าผลลูกชากะหกผมเร็